ไม่ได้ามสุขธรรมก็ตั้งใจฝังรรมะแล้วก็พิจารณาตามสัมมะก็พิจารณาคือการเห็นเห็นเข้าไปในความจริงไม่ใช่ว่าการคิดตามนะได้ก็เห็นเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นไม่เป็นไร ฟังไป ม, มันเป็นการที่เราได้เก็บตัวเองน่าสิการฟังทางวิชาการตัว เ, เองไม่ใช่เหมือนเป็นการเรียนหนังสือเหมือนเราต้องไปจำต้องไปห้องต้องไปสอบต้องพยายามให้เข้าใจตอนนี้ ไ, ไม่จําเป็นนะตอนนี้ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรในฟังไม่คอ แต่เมือ่ออถ้าเราได้ปฏิบัติมากขึ้นนะเราก็จะเข้าใจมากขึ้น อ, อย่างไ ม, ไม่ไม่กี่วันก่อนก็มีมีพิสณีน็นจีนเี่ยเขาไปปฏิบัติอยู่ที่อสมแล้วก็ไปปฏิบัติต่อที่วัดสุกตะโตมันก็ไปสุกตโตก็ดีว่ามีแม่ขีที่ตัวสารทีได้ก็เป็นรน้ า, นาให้เขาบอกว่าติมปฏิบัติ ตอนแรกนะเราบอกให้ร okay. right. hey, ู no, ้สึกให้รู้รู้ประสาทใจรู้นะปสอีนจิตต้าบอกมันปลว่ารู้จิตต้าก็เหอนตอนแรกก็คิดว่ารู้นะรู้ที่ต้องคิดเราก็มีรู้สึกเราเราเราพูดออกมาวารู้เราก็คิดว่าเป็นการรู้แบบคิดใช่ไหมมันเรารู้ รู้แบบตอนเราเรียนหนังสือเรารู้รู้อะไรที่เราเราคิดออกเราเข้าใจในการที่เราคิดตามได้นะแบบนั้นแต่ภาษาเราใช้คำว่ารู้นะแต่พอไปปฏิบัติจริงๆรินะภาวนาจริงจริมันไม่ใช่รู้แบบแบบคิดอนะมันเป็นรู้แบบการรู้สึกนะเปนการรู้แบบ ไม่ต้องใช้ความคิดนะแต่เป like ็นการความรู้ก er ับที冷冷 so ่เราได้ได้สัมผัสกับกับสิ่งนั้นแต่ก็ไม่ใช่เป็นการสัมผัสแบบแบบจับแน่นนะที่จริงความรู้สึกจริงจริงเหมือนรู้แบบแตะนะดู้แล้วนะดูแล้วก็าสิ่งนี้คืออะไรประมาณนั้นรูแล้วแล้วก็วางลงไปอันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ย คือบองทีการฟังทำถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทำไปด้วยมันจะรู้แบบการประสบการณ์เดิมๆของเราหรือเราพยายามจะคิดว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วก็มันมันก็จะแตกฉานนะในส่วนของภาษาเพราะที่ว่ารู้เป็นแบบนี้ครับนะอย่างเราก็เทียนเด่นชิดนั่นก็พูดว่าให้เห็น เด็กพระพุทธเจ้าเอนก็เหมือนกันนะในบางกระสูตรเนี่ยเขบอกผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราคําว่าเห็นเห็นในที่นี้ไม่ได้เห็นเราที่เป็นตัวรูปร่างของพระพุทธเจ้าใช่ไหมธรรมะเองก็ไม่ได้เป็นวัตถุที่จะเห็นด้วยด้วยสายตาแต่ถ้าเราจะบอกว่าให้เห็นนะแต่ว่าีิดว่าเห็นก็คือการที่ใช้ตาตานอกในการเห็นใช่ไหม เราคิดว네่าต้องใช้ตาเห็นที uhm. úa, hi ển. Hi ển ่ตรงไหนเนาะแต่จริงพระเจ้าพู้ใดเห็นธรรมนะเห็นความจริงเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราเห็นพระพุทธเจ้าที่จริงการรู้ก็เหมือนแบบมันรู้ที่จริงก็รู้เป็นเบื้องต้นแต่กับภาวะจริงคือการเห็นจะเห็นเห็นความจริงเห็นความจริงก็เห็นธรรมะ เห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เห็นจรองนะคือบาอาจารย์เขบอกนี่นะให้เราฝังเห็นตัวเองนี่แหละเริ่มต้นในกันนะเราจะฝึกอย่างไรให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองเราเห็นตัวเองเราจะเข้าใจ ตัวเราเองเข้าใจคนอื่นด้วยนะแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเองไม่เข้าใจตัวเองเนะีนะ่ยมันก็จะไม่เข้าใจคนอื่นตามไปด้วยนะการเห็นตัวเองนะนะเนี่ยจะต้องตึกนนะเราก็าตึกสติปัฏฐานหรือเราจะพูดตรงนี้นกกั่ภาษาไม่ต้องใช้ภาษาบาลีก็ได้เขาเรยว่าภาษาไทยก็เรียกว่าตึ่ใในให้รู้สึกตัว ถ้าเราพูว่ารู้สึกตัวนะพอเราคิดถึงคําว่าตัวนะเราคิดถึงเป็นเป็นวัตถนะุนะตัดหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยหรือตัวเราคิดเป็นแค่ร่างกายแต่คําว่ารู้สึกตัวจริงๆมันไม่ใช่รู้สึกแต่ร่างกายนะตัวตัวจริงๆก็คือกายกับใจนะั่นแหละดังนั้นการรู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้สึกถึง ถ้าเรารู้สึกถึงร่างกายก็คือรู้สึกว่าร่างกายกำลังอยู่ในทีบทใดนั่งก็รู้สึกตัวก็กำลังนั่งหายใจก็รู้สึกตัวว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกเดินก็รู้สึกตัว่ากำลังเดินนี่คือตัวที่เป็นร่างกายนั้นมันก็เปลี่ยนไปรุเอย่าเปลี่ยนไปตามตามที่มันต้องทำหรือว่าตั้งใจทำ รู้สึกตัวกับร่างกายแบบนี้ก็ได้นะเรียกว่ารู้สึกถึงการมีอยู่ของตายนี่มันฟังดูเหมือนใครๆก็รู้สึกมีหลายคนก็เคยก็เาก็ไม่เถียงนะแต่เขาก็คิดว่ามันใช่เหรอเคยคุยกับญาติธี่น้องบางคนนะทำไมต้องเดินจงกกงด้วยนเมื่อ คิดว really. <ock> <zin> ่าเคิดว่าเดินอยู่มันก็รู้สึกเอยู่แล้วทําไมต้องไปต้องมาฝึเดินจงกรมต้องมาสร้างสติด้วยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยเห็นตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองยังไงไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินนะไม่รู้ตัวว่าเดินแต่ถ้าเราเดินแล้วก็คิดไปนะเราจะรู้ตัวว่าเรากำลังเดินอยู่นะเพราะเราจะมีอยู่ความคิดหรือเราไปดูอะไรก็ได้แต่ ใจเราอะมันไปอยู่กับการดูนะมันไปสนใจเนี่ยสิ่งที่เห็นแต่ไม่ได้สนใจรู้ว่ากำเนินอยูน่นะอันเนี้ยคนตืนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเิ็นตัวเองอย่างเงี้ยแหละะเราจะไปเห็นข้างนอกแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องการเห็นตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องพื้นหลังอะไรนะอแต่เราก็พลาดไปเรื่อย <c ười> ที่จริงก็เลยว่าการที่เราเห็นตัวเห็นร่างกายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันชัดๆนะชัดๆตรงๆที่เหลือ้วะแต่มันก็ไม่ได้เห็นประกอดเวล่ะเพราะอะไรท่านอะไรที่เราไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็จะไม่เห็นตัวเองคล้ายๆถ้าเราจมอยู่ในน้ําเราก็จะไม่เห็นสิ่งที่อยู่บนผิวน้ํา จริงๆนะถ้าเราเป็นโจมใหญ่นะแล้วก็อยู่ในโลกตรงนันสังเกตันะ้มเวลาเราจมอยู่กับความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ไนอะที่เคยอ่านเคยฟังเคยรู้นี่ยมันลืงม่หมดเลยนะเคยตอบตืน่นได้เคยแนะนำตื่นได้้แต่เมื่อเวลาที่เราทุกจริงๆมันมันลืมเลยเพราะ อ, อะไรเพราะเราขาดการรู้ตัวขาดการมีสตนะิมันก็เกิดได้จากไร หลายการเกลียดเนี่ยหลายเกลีลยดแต่จริงก็ในเรื่องราวที่ิตประจำวันน่ะมันเป็นตัวที่เราขาดสติในหลายๆอย่างด้ความโกรธบ้างด้ความโลภบ้างด้วยความหลงบ้างหลายอยาอา่างมากแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะเออ่เห็นเห็นเท่าทันว่ากำลังโกรธว่ากําลังขาดาสติอยู่นะสติมันก็จะกลับมาอื เหมือนมีตัวอย่างนึงะอองพิจารณาดูน ะ, ะนนนะถ้าเป็นเราเรจะทำแบบไห น, นเอาจริงๆรนะนะมีมีเหตุการณ์หนึง่งอยู่ในซอยแค่ๆนะเริเดนว่าปกติมันก็สวนทางกันได้แต่แต่วันนั้นมันคล้ายๆในการกุดถนนทำปรปับภรุงถนนทำให้รถที่เข้าคนลนะได้มันก็สวนกันไม่ได้ ปรากฏว่าก็มีก็เข้ามาสนกันตรงตระ้าบางซอยพอดีแต่ละคนก็ไม่โลบกันก็ อ, อยู่ใช่ไหก็จอดขอตะพ้างหนึ่งเจ้าของรถคนหนึ่งก็ทำเป็นหองไม่ร้อนหน่อยนะก็หยิบหนังสือพิม ข, ขึ้นมาอ่านอ่ามาอ่านถ้าเป็นตาลีพัไงแต่หนี้งไง เราดูรถที่จอดอยู่ตรงข้างกับคนนี่ฮ่ระบบเลยทำไมบอกอะไรก็บอกหือไม่ก็บอกที่จะหาสุตรพพ์ผวิการตออะไรนะข้อขึ้นว่คก่อนหน้านั้นจะจอดักเนื้อหรือท่าทีแต่คนก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีสุตรพขึ้นมา ไค่เไราทั้นี้องไปคุยกับเขาคุยบบี้หากาบอกว่าจะเียงเรียนไปทางไหนดีอะองยต้องอคบุมอารมณ์ไม่ก่อใจก็ไดอาจจะต้องมก็ไม่่เปิด พี่ชายนนที่อยู่ตรงข้ามนะก็ก็คือคนอีครันหนะึ่งเขาก็เกิดเปจบแล้วก็พูดต่อไปนนนะออเ ร, ป ร, นะรือ่ อ, อยๆนี่ยี่ถ้า่านดูพิมพ์เสร็จจะบอกขออนุญาตไ้หมถ้าดีกว่าน้ใจที่อ่านดูพิมพ์ก็คือคิวพออีกฝ่ายหนึ่งเขามีท่านีเหมือนไม่เป็นมิ้รนะแต่แบบต่ำคันต ก็าว่าชายที่อ่านตึกทิมนั้นก็เก็บมาตึกทิมแล้วก็ยอมไส่ออให้มันก็เป็นเรื่องที่ก็ก็น่าสนใจนะคือถ้าทคนอีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่พอใจมากอาจจะทำอย่างอื่นที่เป็นท้าทีที่เหมือนดูแยงหรือก้าวร้าวหรือที่ขำโอดคน คนตรงข้ามเองก็อาจจะแสดงท่าทีคล้ายๆกันออกมาแต่พอใช้ตอนนั้นเขาเขาเขาใช้ท่าทีแบบหนึง่งจะ ท, ำทำําคํำสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าแสดงความโกรธไปนะปรากฏว่าอีกคนหนึ่งเขาก็ยอมยอมออกม า, ากแล้วก็เพราะอะไรพ อ, พอเขาอาจจะโกรธก็ได้หรือไม่โกรธก็หละแต่เขาสามารถควบคุมควบคุม ก, การจระทําเขาให้ไม่ให้ อารณ์ที่ไม่พอใจเป็นนานอย่างเขาเนาะอันเนี้คือมันก็ทําให้ท่าทีในการแก้ปัญหาก็ก็จบไปได้ดีไม่เป็นหายนอันนี้ถึงมทีเหตุการณ์จริงๆ่ะมัน ก, มนก็มันก็มีมีคนเป็นส่วนมากเนาะที่ไม่สา ม, มารถทําแบบนี้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่พอใจแล้วก็ต่างๆต่ไม่พอใจ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราอยากจะอยากจะได้เราก็ทําตามความอยากจนดึงดึเนื้อดึตัวแค่คุณนี้ยมันมันไม่ใช่ว่าคนคนนั้นเขามีความรู้หรือเปล่าเขาเคยได้ยินเรื่องราวเพิ่งนั้นหรือเปล่ า, นนลาแต่ที่จริงคือถ้า ม, ามันขาดสติมันก็ทําตามอารมณ์ทำตามความคิดได้จนดืงว่ามันควรหรือไม่ควรหรือบางขณะเราก็คิดว่า บาทีเราก็ทำเขาคิดว่าเราถูกอืมเราถูกนเธอผิดบางทีเราก็ดึงตัวเพราะว่าเราไปยึดในความถูกะเราไปยึดว่าเขาผิดบางทีเราก็ทําเพราะว่าเรา น, น, นเราคิดว่าเราดีนเขาไม่ดีนะที่จริงการอุปการ ณ, ณาาจริงๆนะครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราพอกลับมาเขนตัวเอง ถ้าเรากลัหมาเห็นตัวเองก็โกรธมันไม่ใช่เหแค่โกรธคืออะไรความโกรธมันทให้จิตใจเป็นเรือไหนทาให้ร่างกายเป็นเรือไหนมันเป็นทุกข์ใช่อืมรู้สึกมเวลาที่มีความโกรธขึ้นใจมัทุกข์ร่างกายมัทุกข์แต่เราเองก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเราจมอยู่จนจนกับมัน แต่ถ้าเม่อไหร่ที่เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆเนะ่ยมันจะเป็นผู้ดูเนขะาจะออกเป็นผู้ดูนะเห็นจิตใจมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เห็นหน้ากายมันเป็นทุกข์เขจะอยากขอนออกมาแต่ถ้าเราที่มีสติเราจะจมอยู่กับอารมณ์อยู่กับความคิดจมอยู่กับความทุกข์นั้นๆนะกนะามฝึกสติจริงๆคือเราค่อยๆฝึกให้อย่างที่ว่า ให้เป็นผู้เห็นนะเห็นอารมณนะ์อารมณ์ในที่นี้นะจะเป็นอะไรก็ได้นะัน้นเวลาเราปฏิบัตนะิธรรมเนี่ยอารมณ์จะเป็นเรื่องของตายก็ดีเรื่องของใจก็ดีเราจะรู้ส่วนไหนก็ได้ที่มันเกิดขึ้นจริงนะในตอนนั้นไม่ใช่ว่านะเราเคยรู้สึกเนาะมาว่าแต่หลายคนก็เป็ น, น, นมาแต่ก่อนเราก็เป็นเป็นเยอะวันนี้ปฏิบัติ เราจะรู้สึกวันนี้ปฏิบัติดี<ฆ>วันนี้ปฏิบัติไม่ดีนะปฏิบัติไม่ดีคืออะไรวันนี้มันมมงน่วงมากวันนี้มันฟุ้งซ่านมากวันนี้มันไม่สงบเราก็จะกระกว่ามันไม่ดีวันนี้ฟุง้งซ่านน้อยวันนี้มีความสุขนะเราก็ปฏิบัตดิดนะีมันก็จะมีวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีหรือว่าบางทีก็แบ่งเช้าดีบ่ายไม่ดี มันจะรู้สึกว่ามันมีดีกับไม่ดีแต่ถ้าเราภาวนาจริงๆนะมันจะไอความรู้สึกว่าอ่นนี้ดีหรือไม่ดีเนะ่ะมันจะลดลงเพราะอะไรเพราะเราจะเห็นว่าไอสิ่งที่มันเป็นกันนะมันก็ถูกกับมาแล้วมันก็คือความจริงเนะี่ยความง่วงก็คือความจริงไม่ใช่ความง่วกว่าดีหรือไม่ดี ความคิดก็เหมือนกันมันก็คือความจริงที่มันปรากฏในตอนนั้นมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีอความสุขหรือความทุกข์ก็เหมือนกันมันก็คือแค่อารม์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่พราะเราไปยึดเราไปยึดเราก็เลยมีการไปชอบว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบแต่ถ้าเราเปสติจริงๆเราจะเป็นผู้เห็น ร่างกายก็เหมือนกันง่ายง่ายร่างกายมันปวดเมื่อยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปยึดยึดอก็แต่เราอยากให้มันไม่ทุกข์ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าตอนนี้มันเป็นทุกข์ถ้ามันไม่ถ้ามันสบายตอนนี้มันจะได้มีความสุขใช่ไหมแต่หลายคนมาว่าอาจจะเป็นไหมถ้าบางคนกินกาแฟบ่อยตอนไหนที่มันมง่วง่วงเนี่ยทําไมเราที่ถึงกาแฟ เพราะเราอยากจะให้มันสนุกขึ้นนอยากให้มันมีความตื่นขึ้นมานั่นคืออะไรเพราะเราอยากจะหนีความทุกข์เพราะเราอยากจะพ้ น, นทุกข์แต่เราเลือกเราเลือกที่จะใช้กาแฟช่วยให้มันพ้นทุกข์แต่ถ้าเรานอนฝึกกรรมฐานนองดูอ่ามันจะได้คำตอบใหม่คําตอบอะไรทุกข์ไม่ได้หายเพราะกาะแฟ แต่ทุกหายด้วย็นนิจจ์คาว่าอนิจจ์คืออะไรคือมันต้องเปลี่ยนแปลงของมันนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการแปลงคนง่วงก็ไม่ได้อยู่ต่อดเวลาหรอกแต่คนเลยไม่กดนอนบางทีในเตือนชีพบางทีไม่ได้อะไรเลยมันมีบางครั้งง่วงสุดแต่พอตั้งปักหนึ่งก็หายง่วงไปได้นถ้าเราดูจริงเราจะเห็น เราจะได้คำต่อบพ็ที่จริงความรู้ก็เป็นอนิจจังความง่วก็เป็นอนิจจังอารมณ์ก็เป็นอนิจจังแต่ถ้าเราไม่เห็นนะเราจะคิดว่าเราต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้มันถึงจะหายดีเช่นบางคนโกรธต้องไปด่าเขาสิ่งอยากได้ต้องได้มาถึงจะหายอยากถึงจะมีความสืม แต่เราจะได้คําตอบว่ามันต้องไปได้สิ่งนั้นทําสิ่งนั้นมันถึงจะหายทุกข์แต่ถ้าเราดูมันนะเราจะเห็นควาไม่เที่ยงของมันนะมันก็เปลี่ยนไปของมันเองนะทนดูสักหน่อยแต่เราก็ต้องใช้สติว่าทุกจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงน่ะถ้าเราดูมันดูมัาเฉยเฉยไม่ว่าจะเป็นตายไม่ว่าจะเป็น ใจก็ดีนะมันอยู่ได้ไม่งานหรอกมันก็จะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆเองถ้าเราตื่นดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ถูกดูนะจะเป็นอะไรก็ได้ไอมาแล้ว่ะไม่สด้สคัญเลยอารมที่เกิดขึ้นนะทางกายทางนาจิตหรือธรรมจะเป็นสภาวะอะไรก็ได้มีค่าเท่ากัน มีค่าเท่ากันก็คือว่าเป็นเพียงแค่ผิงที่ผูก ด, ดูเป็นสิ่งที่เป็นตัวที่เราต้องศึกษาเหมือนเราเรียนหนังสือเราลงเรียนแล้วไม่ว่าครูจะสอนดีไม่ดีไม่ว่าวิชานี้เราจะชอบเรียนหไม่ชอบเรียนแต่ถ้าเราอยากจะจบปรนสาขาเราก็ต้องเรียนใช่ไหมเราต้องปรับปรับตัวใจในการเรียนรู้เพื่อเราจะได้สอบผ่านให้ได้ การภาวนาต้องเหมือนกันไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นเราจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสรุปในการเรียนหรือว่าเบื่อในการเรียนแต่เราลองเรียนประมาณอยู่ก็คือเราดูมันดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นไหมเมื่อเราเรียนเราดูมันเฉยเฉยมันจะมีสิ่งเรียกว่าเป็นผู้ดูผู้ดูผู้รู้ผู้เห็น เมื tại thế ่อเราดูเรารู้ก็เห็นนะเราจะกลายเป็นเหมือนแค่รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยก็มีอาการอะไรเกิดขึ้นแล้วนะจิตที่มันเป็นผู้รู้เนี่ยมันจะเป็นจิตที่เฉยเฉยจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นแ้่จริงถ้ารู้เห็นจริงมันจะเบิกบานเนะมันมีควาเบิกบานในจิตใจสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเหนไหมสำคัญกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นให้ใหเราดูน่ะแต่ถ้าเราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเราจะไปให้ค่าที่ภายนอกให้ค่าความสุขให้ค่าความสงบให้ค่าอะไรต่างๆว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างที่พูดว่าถ้ามันฟุ้งซ่านเราว่าไม่ดีามันง่วงเราว่าไม่ดีถ้ามันสงบเราว่าดีถ้ามันมีสุขเราว่าดีเราไปบองทีถ้าเราไปให้ค่าข้างนอกมันก็จะมันเหมือนก็เนี่ยก็ดีสลับไม่ดี แต่ถ้าเรากลับมาดูที่ตัวดูกลับมาดูที่ตัวเองจริงแล้วตั้งจิตมันเป็นอย่างไรภาวะตัวดูมันตั้งมั่นไหมมันมั่นคงไหมอันนี้สําคัญที่สุดตัวดูกันเนี้สําคัญที่สุดที่จะเป็นวิปัสสนาเมื่อไหรที่จิตเราเป็นกลางภาวะเป็นกลางก็คือว่าไม่เผลอไปชอบไม่เผลอไปไม่ชอบไม่เผลอไปจงอยู่ในอารมณ์ เป็นผู้ดูแค่รู้ดูเฉยๆจิตเนีเยสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวในการทำพิปัญนาการทํำรู้สึกตัวเนี้ยเหมือนรู้สึกแล้วมันจะออกมาเป็นผู้ดูมารู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆแรกๆเขก็เผลอไปเป็นผู้เป็นเข้าเป็นโจมกับอารมณ์กับความคิดแต่พอฝึกเป็นผู้ดูขั้นแรกคือการเรียกว่ากลับมารู้สึกตัว ตั้มมาส uh so like ึกตัวค uh ืออะไรตั้มมาหากายเราตร้างกายที่เคลื่อนไหวตั้มมาดูกายที่เคลื่อนไหวนี่ก็คือตั้มมาสึกตัวหรือว่าเมื่อใจมันคิดเมื่อใจมันสุกมันรู้เรารู้สึกตัวรู้ทัน่างทีหนคิดอันนี้ก็คือเปิดความรู้สึกตัวละเราจะรู้ออกมาจากความคิดมารู้สึกตัวเริ่มต้นคือตั้มู้สึกตัวไปเลย หรือบางทีถ้าเราทำรูปแบบใช้ได้ว่าสร้างความรู้ ต, ตัวไปบ่อยก็ได้นะอันนี้นจะเป็นเรื่องต้นเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเราสร้างความรู้สึกตัวได้ไบ่อยๆคราวนี้มันจะกลายเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นที่ชัดขึ้ น, นมันจะเกิดการแยกได้แยกเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ที่กำลังเห็นอยู่มันเป็นคนละส่วนกันตายเขาเดิน ใจเป็นผู้ร uh. ู้อตายเขาปวดเมื่อยเขาเจ็บใจเป็นผู้เห็นควาปวดเมื่อยความเจ็บมันจะแยกได้แน่เมื่อเราแยกได้เห็นกายมันปุ๊บเป็นใจเึงนปกติอมันก็จะเห็นนะไปเรื่อยจะทั้งเขาจะเห็นแล้วที่จริงเมื่อกี้ใจมันคิดมันมีใจที่รู้ทันแล้วเมื่อกี้มันคิดใจเมื่อกี้มันเป็นปุ๊บ มีใจที cả, ่รู à, ้ว่ามันคิดใจมันเป็นทุกข์มันก็จะเห็นค่อยๆแยกน่ะนมันจะเกิดผู้ผู้ดูผู้รู้มันเกิดกันแยกทูกแยกนามนะแยกสิ่งต่างๆไปเป็นเพียงแค่อาการนะเป็นเพียงแค่อาการเมื่อเราเห็นเป็นเพียงแค่อาการเราก็จะไม่ยึดมั่นถึงมั่นะไม่ยึดมั่นถึงนมั่นมันก็จะไม่ทุกข์นั่นแหละใช่ไหมแต่ถ <c ười> ้าเราไปยิดว่าสิ่งนี้มันเป็นเราะ ร่างกายมันแข็งแรงน่ากายมันไม่สบายถ้าไปาพิจาราร่างกายเป็นเราเราก็จะสุขตามร่างกายหรือของตั้อะไรของเราก็แล้วแต่หรือคนตั้งของเราทีไหนก็แล้วแต่ถ้าเขามีความสุขเราก็สุขตามถ้าเขามีความทุกข์เราก็ทุกข์ตามเขาคือเราปากจิตใจไว้ของเราไว้กับสิ่งอื่นมากแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูดีๆเนี่ย มันก็เป็นเพียนแค่มันก็เป็นเพียนแค่อาการเป็นเพียนแค่อาการอย่างเมื่อมันอยู่ในปภาวะเลยไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ก็เข้าใจแต่ก็ไม่คิดเนี่หละคือสิ่งสนคัญถ้าเราพูดถึงผู้ดูเฉยๆจิตมันจะตั้งมั่นจิตจะมั่นคงอะไรจะเกิดอะไรจะดับก็เป็นเรื่องของมันอะไรจะแก่อะไรเจ็บเจ็บตายก็เป็นเรื่องของมัน เรจะเกิดปัญญาไม่เห็นอะไรเห็นสภาวะที่เรียกว่าเกิดดับเกิดดับของอะไรของรูปของนามพ่าเกิดจากของรูปที่เห็นชัดคือเช่นเวทนาทีเกิดขึ้กับรูปเดี๋ยวโตม่วงหายม่วงนี้เกิดขึ้นรูปนะเจ็บเมื่อวนั่งนามเจ็บเวทนาก็เปลี่ยนค่าหรือคนท่าเดิมแบบ คามเจ็บของรูปมันหายไป น, นะก็คือการเกิดดับของของรูปนะหรือจริงหายใจเข้าก็เป็นรูกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นรูกหายใจออกรูปที่หายใจเข้ามันกินเกิดแล้วก็ดับแล้วมาเกิดรูปใหม่ที่เรียกว่าหายใจออกเนี้อตาเนี่ยมันคือการเกิดดับของของแต่ละสภาวะหรือจิตใจก็เหมือนกันเมื่อกี้มันคิดแล้วก็เกิดนะ มือจ um ีนม uh ันไม่ค huh. uh ิดหรือล้วแต่มันก็คิดนะ๋ยวมันก็ไม่คิดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ไม่ทุกข์มัมีแต่การเกิดดับมันก็จะเห็นเพียงแค่าการที่เราพูว่าเกิดแล้วก็ดับนะถ้าเราเข้าใจจะพูดว่าเกิดดับนะเราก็จะไม่ไปยึดมั่นสือมั่นไม่ไปตบของความทุกข์นะนั่นเราจะได้พ่อที่จริงธรรมะก็ไม่มีอะไรเป็นมากถ้าเราไปพูดเห็น เราจะไม่เข้าเป็นเพศแต่พ่อขวัญจะสอนไปบ่อยว่าให้เป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่ให้เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นเพร่อขวัเขียนบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเพชรแห่งธรรมเคสมีค่ามากนะเคสแต่อันนี้คือเป็นเุื่อต้นที่สําคัญมากเป็นสภาวะตร้างควารู้สึกตัวก็เราจะเป็นผู้ดู อ่เป็นผู้เห็นอเมื่อเห็นบ่อยบ่อยอสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาดูไอ้ตัวรู้ตัวเห็นอีกทีหนึงเนี่ยปัตาเราไดเป็นเราเป็นผู้ ด, ดูเป็นผู้เห็นแต่จริงปรมัติจริงๆนะเขาก็ผู้ก็ไม่ใช <c oughs> ่เราคนบางทีเราเป็นตีความปัตตานะผู้ก็ต้องมีตัวตนใช่ไหแต่จริงถ้าเราย้อนกลับมาดูจริง ก็จะเห็นว่าเองตัวผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นมันก็ไม่ใช่เราสุดท้ายแลวงพอบอกว่าการไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นโมงกุฎแห่งธรรมะสูงกว่าการเป็นผู้ดูเพาอะไรเพราะว่าก็ถอนการนิมั่นถึงมากเราเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเราไม่เป็นอะไรมันก็เป็นเพียงแค่การที่รู้ที่ดูที่เห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรเนะี่ย เป็นจุดสูงสุดนะอันนี้คือยังเป็นโดยสมมติแต่โดยจิตใจแล้วมันไม่ได้เป็นใครกับอะไรคือการไม่มีตัวไม่มีตนอย่ยแท้จริงนะเนี่ยเที่จริงแล้วบางทีธรรมะนั่นบอกว่าเรามาถ่ายถอนความมีตัวมีตนแต่จริงคูบาอาจารยที่เขาพที่จริงความไม่มีตัวไม่มีตนมัน ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีอยู่แล้วไม่แยกเป็นการไปถ่ายถอนหรอก เก่งแต่ว่าเราโงคิดแล้วก็เลยคิดอย่างนั้นแต่เมื่อเราภาวนานเรื่อยๆนะมันจะมันจะค่อยเกิดความเข้าน็นซึ่งมันเป็นสิ่งที่อืมเรียกว่าอะไรเป็นขั้นเป็นตอนในการภาวนาอันนี้คือการภาวนาเขาพูดให้เราได้ฟังเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรอย่าเพื่ออนต้นแต่ได้ยินได้ฟังไว้แล้วก็เมื่อเราปฏิบัตินะ ลองเขาคันเข้เนี่ยมันเกิดตัวเองตอตัวเองบันทีปฏิบัติธรรมจริงจรมันได้อยู่กับตัวบาอาจารย์ตลอดมันทีติดอารมณ์ทีสมใทีอะไรเนี่ยทีเราต้องแก้ด้วยตัวเองแก้ด้วยอะไรมาต้แก้ด้วยกันเนี่ยของหลวงอเคยพูดแบบนี้ก็ามาเกิดตัวเองคืองทีมันทุกข์มากๆมันคิดตัเองมันมันระลึกได้หรอตัวบาอาจารย์เจรสอนเนี่ยมันก็พอพอระลกได้มันก็มันก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมามันก็วาง อันนี้คือการภาวนาเมื่อเราภาวนาาจะเห็นเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นว่าเราเห็นว่าแบบไหนาบางใจถูกแบบไหนบางใจผิดมันจะค่อยๆบางใจได้ได้เห็ุการณ์เราก็จะความทุ่งออก็อค่อยๆลดลงไปหมดลงไปเนี้ยคือเราภาวนาจะเจอกับสภาวะตรงนี้นะซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์มรไม่ใช่อาศัยการอนะ ความคิดความกบคิดให้เข้าใจนะต้องมาใส่ประสบการณ์มันจะได้เกิดเป็นบทเรีย น, นะนเกิดเป็นการกระทําที่ทำหน้านะ จ, รจริงของเร า, น, านี้คือสิ่งที่ที่พูดไว้ก่อนเพื่อให้เราได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติวันนี้แล้วก็ที่จริงนะตลอดชีวิตาวนานจริงนะ อมันตลอดชีวิตไม่มีหลักสูตรตายตัวเหมือนเรียนปริญญาณนะสี่ปีอีป่ปีนะแตจบนะแต่ความจริงไม่รู้จบตอนไหนพึ่งตรง น, นะไม่สัมผัสจะรู้ว่าเราจะจบกิจตอนไหนและต้องเกิดใจเลยวะนะ่าถ้าจะสําลอดชีวิตถ้าคนมันน่นคะง จ, จริงๆนะเขาจะทําอืมจริงๆนะแต่ถ้าแต่หลายคนมาเจอปัญหานนหน้าวนาคือ เราทํามันอยากจะทำให้มันเสร็จอะเราก็เลยรีบเราก็เร่งเหมือนคล้าเมื่อไรมันจะเสร็จจะได้ไม่ต้องทํำจะได้เลิกทําำทุกทีนะแต่จริงถ้าคนทำมรจริงนั้นยิ่งทำมากๆทำยิ่รู้สึกจะทํำมากไม่เป็นภาระแต่บางคนถ้าเราทํำในความอยากมันจะเหมือนรู้สึกมันเป็นภาระเป็นภาระที่ต้องทํามันก็เลยอยากจะทําให้มันเสร็จเส็จจจบไปจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อ แต่จริงถ้าภาวนาเป็นชีวิตจริงๆนะทําทั้งชีวิตก็ทําได้ไม่รู้สึกหนักบางทีก็ต้องปรวางใจอย่างนี้เลยนะยอมทำทั้ชีวิตแต่ถ้าทําแบบนี้ยอมแบบนี้จริงๆนะมันกลับไม่หนักเพราะอะไรมันก็แค่รู้แค่เห็นไปเรื่อยมันไม่ได้อะไรเป็นมากตัวนี้มันจะรู้สึกเบารู้สึกไง่ายเราจะเห็นว่าพบจริงๆภาวนาแต่ก่อนคิดว่ายาก ถ้ามันยากพระเจ้าไม่สอนถ้ามันทำไม่ได้พระเจ้าไ ม, ไม่ไม่บอกให้เราทําแต่เพราะว่ามันทําได้แล้วก็ไม่ยากเกินไปนแค่ตามรู้กายนะจะทำไม่ได้หรออาจจะมีจริงกายเราก็ยังไม่ใช่คนที่การไม่ใช่คนที่นอนหมสติใช่ไหมก็ยังมีการเคลื่อนไหวได้ก็แค่รู้กายนะที่มีอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ใจเราเองก็ไม่ได้เป็นโลกประสาทเป็นโลกจิตยังมีสติพอสมควรอยู่ <c oughs> ใช่ั้มก็ดูนะดูล่างกายได้แล้วก็ไม่ได้เป็นหลงเชื่อกับความคิดทุกครั้งทุกคนอาจจะมีบ้านที่หลงไปเชื่อหลงไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็มีสติเห็นได้แอ้วเพราะงมันคิดมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความคิด เมื<บ> <PTSD> to to ่อกี้เป็นเพียงแค่อารมณ์มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะคือคนปกติธรรมดาก็ทําได้นะก็แค่ฝึกเปยบ่อยมันก็จะเห็นเปบ่อยนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์สอนเราทําได้นะมันคือสิ่งที่เราก็ต้องฝึกเปรย์เยะเมราทำได้จริงมันยอต่เห็นทุกอย่างคือการพาวนานะยืนเดินนั่งนอนทํางานหรือไม่ทํางานอยู่กับคนหรืออยู่คนเดียว ก็คือการภาวนานั้นเพราะอะไรมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ดูมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ดูมันนี่คือการภาวนานั้งนะอั้ถ้าเราตั้งใจแบบนี้เราทำแบบนี้ยการภาวนาก็ไม่ใช่เรื่องอที่เราจะต้องหีโลกหรือเราจะต้องมาบวดหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวก็ตามเหตุตามปัจจัยของชีวิตไปอย่างนี้นอะอะก็ฝากไปนะ